มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมเพราะเป็นการสร้างสาระสร้างที่พึ่งทางใจที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิตจิตใจของตนไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆมาเหยียบย่ำทำลายใจได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะคุ้มครองปกป้องความทุกข์ภายในใจได้นอกจากพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสรงฆ์ที่เป็นสรณะอันสูงสุดของสัตว์โลกสระอย่างอื่นนั้นเป็นสระทางกายเสียส่วนใหญ่เช่นลาบยศสรรเสริญสุขหรือปั จ, จัยสี อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้ดูแลรักษาร่างกายได้แต่ยังไม่สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาใจไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆมาเหยียบย่ำทําลายได้เช่นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพลากจากสิ่งที่รับที่ชอบทั้งหลายแต่ถ้ามีสารณะคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายหรือการพัดพลากจากสิ่งต่างๆไป เช่นจิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลายจิตของท่านนั้นไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับความแก่ความเจ็บความตายไปกับการพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบไปเพราะท่านมีที่พึ่งมีสารณะนั่นเองมีพุทธะมีธรรมะและมีสังขา เมื่อท่านได้มีสรณะที่ประเสริญนี้แล้วท่านจึงได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเพื่อให้สัตว์โลกได้มีสรณะมีที่พึ่งทางใจเช่นเดียวกับที่ท่านได้มีนั่นเองพวกเราที่ได้พบได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเกิดศรัทธาเราก็จะปฏิบัติตามคำสอน แล้วเมื่อเราได้ปฏิบัติตามคำสอนจนบรรลุผลของการปฏิบัติเราก็จะมีที่พึ่งทางใจในขณะนี้ที่พึ่งทั้งสารที่เรากล่าวถึงเช่น ท, ทุตทางสระนังกัจฉามิธรรมังสระนังกัจฉามิสังคังสระนังกัจฉามินี้ยังเป็นพระรัตนาตายัยหรือเป็นสรณะภายนอก ยังไม่ได้เป็นสระนะที่อยู่ภายในใจของเราเปลียบเหมือนกับยาที่อยู่ภายนอกร่างกายเรายังไม่ได้รับประทานยาเข้าไปในร่างกายต่อให้ยาวิเศษขนาดไหนถ้าเราไม่รับประทานยาเข้าไปยาก็จะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หายไปได้ฉันใด พระลัตนะไรที่ต่อเสริดก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนและพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่เรากราบไหวบูชายึดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งท่านยังไม่ได้เข้ามาสู่ภายในใจของเราท่านยังอยู่ภายนอกอยู่เหมือนกับยาที่เรายังไม่ได้รับประทานถ้าเราอยากจะได้ สารณะนี้มาเป็นที่พึ่งมาดูแลรักษาใจของเราไม่ให้ทุบวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องน้อมเอาเข้ามาสู่ภายในใจวิธีน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ภายในใจก็คือด้วยการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ศึกษาชีวประวัติของพระ อ, อริยสงฆ์พระ อ, อริยเจ้าทั้งหลายเพื่อเราจะได้ยึดเอาเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติอย่างนั้นพระ อ, อริยสงฆ์สาวกสอนอะไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นสิ่งที่สั้นสอนก็มีอยู่สามประการด้วยกันคือ 1. หให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม 2. ให้ละบาปทั้งปวง 3. ให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจนี้เพราพระพุทธเจ้าได้ทำความดีทั้งหลายได้ถึงพร้อมหมดแล้ว บาปพระองค์ก็ทรงละได้หมดแล้วพระทัยของพระองค์ก็ทรงชาระจนสะอาดบริสุทธิ์ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงเมื่อท่านได้กระทำกิจทั้งสามประการนี้ได้ครบบริบูรแล้วจิตของท่านก็มีพุทธธรรมะสังขะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งทำให้จิตใจของท่าน หลพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่คือวิธีที่เราจะได้สระณะคือได้พระรัตนตรัยเข้ามาสู่ใจของเราต้องได้มาด้วยการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้ศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาก่อนเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างเหมือนกับการเดินทาง ถ้าเราไม่ศึกษาทางที่เราจะไปก่อนเราก็จะไม่รู้ทิศทางที่เราจะไปว่าไปทางไหนแต่ถ้าเราศึกษาเช่นถามคนที่เขาเคยไปมาแล้วเช่นเราไม่เคยมาวัดยานเราถามคนที่เคยมาวัดยานถามว่ามาอย่างไรเขาก็จะบอกทางให้กับเราพอเรารู้ทางแล้วเราก็สามารถ ที่จะเดินทางมาให้ถึงวัดฏายันได้แต่ถ้าเรารู้ทางแล้วแต่เราไม่ออกเดินทางเราก็จะมาไม่ถึงเช่นเดียวกับการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วแต่เราไม่ปฏิบัติตามเราก็จะไม่ได้ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ เราก็จะไม่ได้สารณะที่พึ่งทางใจของเราใจของเราก็ยังจะถูกความทุกข์ต่างๆรลุมเราเหยียบย่งทำลายอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้พวกเราทุกวันนี้มีความทุกข์อยู่เสมอไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นก็ทุกข์กับเรื่องนี้ไม่ทุกข์กับคนนั้นก็ทุกข์กับคนนี้เพราะเรายังไม่ได้ สร้างสาระที่เพึ่งขึ้นมาในใจของเรานั่นเองเรามีสาระภายนอกแต่สาระภายนอกไม่สามารถที่จะคุ้มครองป้องกัน ร, รักษาใจของเราไม่ให้ความทุกข์มาเหยียบย่ำได้เช่นเรามีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชาที่บ้านก็ดีหรือที่คอก็ดีเราแขวนพระไว้แขวนพระพุทธรูป นี่ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งเพียงแต่เป็นที่เตือนสติให้เรารำลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามคำสอนเช่นเวลาที่เราจะทำบาปถ้าเราห้อยพระอยู่และเรามีสติระลึกถึงพระที่เราห้อยอยู่เราก็จะไม่ไปทำบาปพอเราไม่ทำบา ทุกที่เกิดจากการทำบาปก็จะไม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราห้อยพระไว้โดยที่เราไม่มีสติไม่เจริญพุทธานุสติคือไม่ละลึกถึงพระพุทธคุณไม่ละลึกถึงพระธรรมคุณไม่ละลึกถึงพระสังฆคุณพอเวลาที่เราเกิดอารมณ์ไม่ดีเราคิดจะทำบา ก็จะไม่มีอะไรยับยั้งไม่ให้เราทำพอเราทำไปแล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นตามมาความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาป ก, ก็จะเกิดตามมาหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราทำเหตุแล้วผลก็จะต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำเหตุผลก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนกับต้นไม้ถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้ ผลไลม้ก็จะไม่ออกก็จะไม่มีผลลไม้ฉันใดการกระทําของเราทั้งดีและชั่วก็เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลดีและผลชั่วตามมาพระพุทธเจ้าสิงรงสั่งสอนให้พวกเราทำความดีไม่ทำความชั่วแล้วก็ตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธความหลง เพราะจะทำให้ใจของเราอยู่อย่างปราศจากความทุกข์ต่างๆนั่นเองตอนนี้พระรัตนตรัยที่เรากล่าว่าบูชาภายนอกอยังไม่สามารถที่จะช่วยเราได้ท่านช่วยเราเพียงแต่เตือนสติหรือสอนให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างวันนี้เรามาเราได้ยินพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เรารู้ว่าเราต้องทำแต่ความดีความดีนี้ก็มีหลายอย่างเราต้องละการกระทำบาปบาปนี้ก็มีหลายชนิดเราต้องกำจัดกิเลสที่มีอยู่ภายในใจคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปนี่คือสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราทำแล้วเราก็จะได้ผล เกิดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเวลาทำความดีก็จะทำให้มีความสุขใจเวลาไม่ทำบาป ก, ก็จะไม่มีความทุกข์ใจเวลาที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่มีความทุกข์ใจมีแต่ความสบาย อ, อกสบายใจเราจึงต้องพยายามทำ กิจทั้งสามส่วนนี้ไปเรื่อยๆไปบ่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะบรรลุผลบรรลุแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่มีความทุกข์ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องทุกข์กับการพลาดพาจากสิ่งต่างๆเพราะเรามีธรรมะไว้คอยสอนใจ คอยเตืนใจให้เรายอมรับความจริงให้เราปล่อยวางให้เรารู้ว่าใจกับสิ่งต่างๆนั้นเป็นคนละส่วนกันใจของเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้เป็นสมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่วเพียงแต่ใจของเราหลงไปชอบไปรักหรือไปชัง แล้วก็ไปเกิดอารมณ์ดีใจเสียใจขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ใจของเรานี้ไม่ได้แบบหรือไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ใจของเราไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้เวลาที่ใจต้องจากโลกนี้ไปเวลาร่างกายนี้ตายไปใจก็ไปต้องไปแต่ตัวเปล่าเล่า ไม่สามารถเอาร่างกายไปได้ไม่สามารถเอาร่างกายของผู้คนอื่นไปได้ไม่สามารถเอาลาบยศเสริญสุขต่างๆไปได้ถ้าใจไม่ฉลาดใจมีความรักความยึดติมีความหวงเวลาที่จะต้องจากสิ่งต่างๆไปใจจะมีความทุกข์ทรมานมาก และในขณะที่อยู่ก็จะมีแต่ความห่วงความกังวลเพราะกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งที่ใจรักใจชอบไปนั่นเองพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วจึงเห็นว่าปัญหาของใจอยู่ที่ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องคือไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ไม่ใช่เป็นสมบัติของใจแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่สมบัติของใจถ้าเป็นสมบัติก็เป็นสมบัติชั่วคราวเหมือนของที่เขาเอามาฝากเราไว้ให้เราใช้ทำประโยชน์แต่ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเจ้าของเขาก็จะมาทวงเอาคืนไปร่างกายของเรานี้เป็นของธรรมชาติ คือเป็นของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้รวมกันเป็นอาหารชนิดต่างๆเช่นข้าวผักผลไม้ก็ต้องมีดินมีน้ำมีลมมีไฟถึงจะเป็นข้าวเป็นผักเป็นผลไม้ได้แล้วเมื่อเรารับประทานเข้าไปในร่างกายเราพักข้าวและผักผลไม้ต่างๆ ก็มาเปลี่ยนเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็กระดูเป็นอวัยวะต่างๆทำให้ร่างกายนี้จเจริญเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่และเมื่อเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วก็ต้องแก่ชราภาพลงไปจนถึงวันสุดท้ายที่จะหยุดทํางานพอร่างกายนี้หยุดทํางานแล้ว ธาตุทั้งสี่ก็จะแยกกันออกไปน้งกายในน้ำก็จะแยกออกไปอากาศในน้ำก็จะแยกออกไปไฟที่มีอยู่ในร่างกายก็จะแยกออกไปเหลืออยู่แต่ส่วนที่เป็นดินถ้าเราทิ้งร่างกายไว้ต่อไปร่างกายก็จะเปื่อยพูดกลายเป็นดินไป นี่คือความจริงของร่างกายของพวกเราทุกคนมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็ต้องไปกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเรารู้ใจนี้เป็นผู้มาครอบครองเราเป็นเหมือนคนขับรถยนต์รถยนต์ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ที่ใจเป็นผู้ขับขี่เป็นผู้สั่งการ การที่เราจะไปไหนมาไหนได้เราต้องสั่งก่อนร่างกายถึงจะไปได้เช่นเราจะลุกเราต้องสั่งก่อนว่าจะลุกขึ้นแล้วนะจะเดินแล้วนะจะนั่งนั้วนะจะไปทํานั่นทํานี่แล้วใจเป็นผู้สั่งสั่งด้วยความรู้สึกนึกคิดวันนี้คิดว่าจะมาวัดกันเราก็เลยสั่งให้ร่างกายนี้มาวัดกัน ใจกับร่างกายนี้ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นอันเดียวกันใจหลงใจไม่มีปัญญาไม่มีคนสอนให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจพอร่างกายเป็นอะไรไปใจก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายใจขึ้นมาเพราะว่าเราไม่มีปัญญาหรือไม่มีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองเห็นผิดเป็นชอบ เนเหมือนกับเห็นสุนัขเป็นเป็นสุกรเป็นต้นความจริงสุนัขกับสุกรนี้ไม่ใช่เป็นอย่างเดียวกันฉันใดเราก็เหมือนกับเราเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราของเราก็คือใจเพียงแต่ว่าใจมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ า, เ, ลาเราจะาจะเห็นใจของเราเราต้องใช้ดวงตาที่เรียกว่าธรรมจักสุหรือดวงตาแห่งธรรมการที่จะมีดวงตาแห่งธรรมได้ต้องมีการทำจิตใจให้สงบที่เรียกว่าสมาธิพอจิตใจทำทำจิตใจให้สงบได้ จิตใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันชั่วคราวจะทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละส่วนกันเหมือนกับคนขับรถกับรถยนต์ต้องออกจากรถคนขับต้องออกจากรถมาถึงจะรู้ว่าอ๋อรถยนต์กับคนขับนี้เป็นคนละส่วนกันแต่ถ้านั่งอยู่ในรถก็จะอาจจะคิดว่าคนขับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์ ชั้นใดร่างกายกับใจก็เป็นอย่างนั้นเป็นคนละส่วนกันร่างกายนี้เป็นส่วนที่ไม่จีรังถาวรมีอายุไขมีขอบเขตมีเจริญแล้วก็มีเสือ่อมแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดาแต่ใจนี้ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันดับไม่มีวันสูญถ้าร่างกายนี้ดับไปเมื่อไหร่ใจก็จะ ออกจากร่างไปเราก็จะไปหาร่างกายใหม่ต่อไปก็ เ, เรียกว่าไปเกิดใหม่เหมือนกับที่เรามาเกิดใหม่ในชาตินี้เราได้ทิ้งร่างกายอันเก่าของเราไว้ในชาติก่อนเพราะว่าร่างกายอันเก่านั้นมันเสียมันชารุดเหมือนกับรถยนต์ถ้ารถยนต์คันเก่ามันเสียชารุดไม่สามารถใช้การได้แล้ว เราก็ต้องเปลี่ยนรถคันใหม่เช่นเดียวกับร่างกายของพวกเราสักวันหนึ่งมันก็ต้องชำรุดมันก็จะต้องเสือ่อมและมันก็จะต้องสลายหมดไปพอถึงวันนั้นร่างกายก็ไม่สามารถที่จะอยู่จิตใจก็ไม่สามารถอยู่กับร่างกายได้ต่อไปใจก็จะต้องไปหาร่างใหม่ ก็ต้องไปตามอำนาจของความดีหรือหรือความชั่วที่จะพาไปถ้าทำความดีความดีก็จะพาให้เราได้ไปได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่าเดิมถ้าเรามีความชั่วพาไปเราก็จะต้องไปได้ร่างกายที่เลวกว่าเดิมเช่นจากร่างกายของมนุษย์ ก็จะไปได้ร่างกายของเดรัฉานได้ร่างกายของนกของแมวของสุนัขของวัวของควายเป็นต้นแต่ใจก็ยังเป็นใจอันเดียวกันอยู่แต่เนื่องจากคุณภาพของใจนี้ต่าลงด้วยอำนาจของความชั่วของบาปที่ทำเอาไว้จึงทำให้ไปได้ร่างกายที่ต่ากว่าของมนุษย์ แต่ถ้าได้ทำบุญทำความดีไม่ทำบาปก็จะได้กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิมผิวพรรณผ่องใสกว่าเดิมมีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเดิมพวกเราทุกคนจึงมีความแตกต่างกันเพราะในอดีตชาติ เราทำความดีกับทำบาปมาไม่เท่ากันนั่นเองคนที่ทำความดีมากก็จะได้สิ่งที่ดีมากกว่าคนที่ทำความดีน้อยก็จะได้สิ่งที่ดีน้อยกว่าคนที่ทำบาป ก, ก็จะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ก็จะต้องไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานไปก่อน จนกว่าจะหมดบาปหมดกรรมแล้วถึงจะได้กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แต่ก็จะเป็นร่างกายที่ไม่ดีเหมือนกับร่างกายของคนที่ทำแต่ความดีทำบุญทาคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไม่เบียดเบียนไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่ถ้าเราสามารถ ทำชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเพราะการเกิดใหม่ถึงแม้ว่าจะดีขนาดไหนก็ตามมันก็มีส่วนที่ไม่ดีตามมาเพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาถึงแม้จะมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีมาเกิดเป็น พ้าเจ้าแผ่นดินมาเกิดเป็นดาราภาพยนตร์นางงามจักรวาลก็ตามแต่สักวันหนึ่งร่างกายก็ต้องเสื่อมไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปก็ยังต้องพบกับความทุกข์ต่างๆแต่อาจจะน้อยกว่าความทุกข์ของผู้ที่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานหรือมาเกิดเป็นคนยากจนลาบากลาบน แต่ในที่สุดก็ต้องมาเจอความทุกข์เหมือนกันคือต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพร่าจากสิ่งที่รักที่ชอบไปแต่ถ้าเราสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจได้ใจของเราก็จะเป็นครั้งทีผ่านไปใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีก คำว่าพระนิพพานก็คือความบริสุทธิ์ของใจงใจที่มีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอไม่มีความโลภความอยากได้อะไรหลงเหลืออยู่ในใจอีกเลยใจอย่างนี้แหละเรียกว่าใจที่บริสุทธิ์ที่ที่วิเศษที่ประเสริฐที่พวกเรากราบไหวบูชาและพวกเราปรารถนากัน พ่าเป็นใจที่มีสาระคุ้มครองเป็นใจที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่าทำลายได้ อ, อีกต่อไปแต่อย่าไปคิดว่าการไม่เกิดนี้เป็นการสูญไม่ได้สูญใจก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมอยู่ใจที่มาเกิดก็เป็นใจเหมือนกับใจที่ไม่ได้เกิดยังมีความรู้สึกดึกคิดต่างๆเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามีแต่ความสุข เท่านั้นไม่มีความทุกข์สำหรับใจที่ไม่มาเกิดแต่ใจที่ยังเกิดอยู่ก็ยังจะต้องมีความสุขสลับไปกับความทุกข์เหมือนกับที่พวกเรามีกันอยู่นี้ใจของพวกเรายั ง, ยงมีการเกิดอยู่ใจของพวกเราจึงมีมความสุขมีความทุกข์สลับกันไปอยู่เวลามีความสุขก็ดีอยู่ แต่เวลามีความทุกข์แล้วก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ต่อไปไม่อยากจะเกิดเลยเพราะเวลาทุกข์นี้มันแสนทรมานใจอย่างยิ่งดังนั้นพวกเราจึงควรที่พุ่งพุ่งเป้าของพวกเราไปสู่การไม่เกิดจะดีที่สุดเพราะการไม่เกิดนี้จะทำให้ใจของเรามีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ไม่มีความทุกข์ที่จะมาเหยียบย่ำทำลายใจของพวกเราได้เลยขอให้พวกเราจงเห็นโทษของความเกิดว่ามันไม่มันไม่ดีถึงแม้ว่าจะมีความสุขบ้างแต่มันเป็นเหน่วยความสุขเหมือนยายาขมเคลือบน้ำตาลมีมีความหวานอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่พอความหวานจางหายไปแล้ว ก็เหลือแต่ความขมขื่นความสุขของพวกเราในโลกนี้ก็เป็นเหมือนอยาเหมือนกับน้ำตาลที่เคลือบความทุกข์นี่เองพอความสุขนี้จางหายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เราจะหนีไม่พ้นความทุกข์สักทีไม่ว่าเราจะทำอะไรอย่างไรมากน้อยเพียงไรเราก็จะหนีความทุกข์ไม่พ้นเพราะความทุกข์นี้มันเป็นเหมือนเงาตามตัว ตราบใดที่มีการเกิดตราบนั้นยังต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องไม่เกิดเท่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่ถ้าเราไม่อยากจะเกิด เราก็ต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปและวิธีที่จะกำจัดได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิและเจริญปัญญาเท่านั้นถึงจะทำให้ใจตัดความโลภความโกรธความหลงได้หมดแต่ถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างน้อยก็ขอให้เราอย่าไปทำบาป ขอให้เราทำแต่บุญทำแต่ความดีถึงแม้เราจะต้องเกิดอย่างน้อยการเกิดของเราก็จะเป็นภพชาติที่ดีไม่ต้องไปเกิดในภพชาติที่ไม่น่าปรารถนากันเช่นไปเกิดเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นต้นขอให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันจะดีกว่าถ้าเรายังไม่สามารถชำระ ความโลกความโกรธความหลงของเราให้หมดไปได้ก็ขอให้เราอย่าไปทำบาปโดยเด็ดขาดขอให้เรารักษาศีลห้าไว้ให้ได้แล้วรับรองได้ว่าภพชาติของเราในภายภาคหน้านั้นจะไม่เลวลงไปจะมีแต่ดีขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับถ้าเราปฏิบัติทำได้ด้วยแล้ว ภพชาติของเราก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งก็จะหมดไปได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญความดีละการกระทาบาปและปฏิบัติธรรมเพื่อชำระพระไทยของพระ อ, องค์มานับไม่ถ้วนชาติทุกภพทุกชาติที่พระ อ, องค์ทรงเกิดมา พ อ, องค์ก็ทรงพยายามทําความดีไม่ทําบาปแล้วก็พยายามลดละความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อถึงวิชาสุดท้ายคือตอนที่ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็สามารถตัดหรือชําระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากพระทัยของพระ อ, องค์ได้ จึงทําให้พระทายของพระองค์นี้มีแต่ความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขงังเป็นความสุขที่ไม่มีความสิ้นสุดไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่าทําลายได้เลยก็จะเป็นความสุขสําหรับพวกเราต่อไปถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วปฏิบัติตามคือทําความดีทั้งหลาย ละบาทั้งปวงแล้วก็ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์พอเราทำได้ครบถ้วนแล้วเราก็จะได้สารณะเป็นที่พึ่งเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของเราเราจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัด เพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสาธรณะทางใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์และเพื่อความสุขที่ประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา